ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังการบรรยายธรรมะในโอกาสที่พระท่านนายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยได้มากราบเยี่ยมท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิญาณเถระเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2521ขอเชิญฟังครับ แต่ท่านรู้ว่าสุขน่ยมันเป็นพิษถ้าเราไม่รู้มันท่านก็ไม่ไม่ไปสำคัญมั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นต้นสุขนั้นมีอยู่หรือมีอยู่หรือความรู้ไม่มีอยู่ในจิตของท่านเช่นนี้ก็รู้จักว่าท่านแยกสุขแยกทุกข์แยกเวทนาออกจากใจิตใจของท่านได้มีอยู่อยู่ด้วยกันนั่นแหละตรงเหมือนคำว่าพระพธธุทธเจ้าของเรานะั่นน่ะนี่พระอันนี้ะเจ้าของเราท่านตัดจิตนะ ท่านฆ่ากิเลสไม่ใช่ว่าท่านไปฆ่ากิเลสครับถ้าฆ่ากิเลสมันแล้วเราคงไม่มีกิเลสใช่ไหมเพราะท่นฆ่าไปหมดแล้วถ้าไม่ได้ฆ่ามันอ่ะท่านรู้เลยท่านก็ปล่อยไปตามเรื่องมันใครโง่มันก็ไปเอาคนนั้นเนี่อไม่ใช่มาท่านฆ่ากิเลสน่ะท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าไอ้จริงทั้งหลายหล่านี้มันเป็นพิษท่านก็เขี่ยของท่านออกเขียออไปเขียออไปจริงจะให้ท่านเกิดทุกสัตว์เขียไปไม่ใช่นจะไปฆ่ามันหรอก ไอคนที่ไม่รู้จักที่ตั้งเขียก็ไปตะกุบเอาครับแม่อันนี้ดีแล้วนี่ไอความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งทิ้งอย่างสุกอย่างนี้เป็นต้นตั้งเขียกเอาเราก็เห็นจะกุบ ไ, ไปตะกุบเอาจับใช้ยามไปเลยกับของดีของเล่าเน่ยนะอย่างนี้เป็นต้นไอความเป็นจริงนั้นน่ะท่านไม่ได้ฆ่ามันทันรู้เท่ามันเมื่อสุขกขตัวขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามันมันสุขนะแต่ท่านไม่มีสุกแต่ทันรู้ว่าอันนี้มันเป็นสุข ท่านไม่ไปสําคัญมั่นหมายมันว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นของเขาทั้งนั้นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยมันไปทุกตัวมันกันเมื่อทุกข์ดันก็ทารีกว่าเวทนาเรียกว่าทุกเวทนาสุกเกิดขึ้นมาท่านเพราะว่อันนี้ตัวสุขเวทนานี่ที่เวทนาก่อนจะมีเวทนาเนี่ยเป็นตอนที่เราเราก็ไปเสวยมันกินตัวนี้ก็ไปเสวยคือก็ไปแบกกทุกข์มันไว้แบกสุกมันไว้ไอ้ความเป็นสุขกายความเป็นอย่างไงเวทนา ทุกเวทนาะทุกเวทนาแลจิตของเราไม่เป็นคนได้อยากกันอย่างตัวเราเรียนนี้นนั่งอยู่อย่างนี้มันส็สบายอย่างนี้ถ้ามีไม้กัะท้อนหนึ่งจะไปแบกมันเดียรอยากได้มันอนะแบกหนักหนึ่งนันเป็นต้นไอ้ต่อนไม้เนะี่ยคือมันตัวเวทนาเลยไอ้ตัวคนที่อยากได้ต่อนไม้คือตัวจิตของเราจะเราไปแบกต่อนไม้มันก็นกหนักอะไรนี่มันหนักถ้าคนมีปัญญาหนักเขาจะไม่ทุกข์นะด้วยจะปล่อยมัน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 คนที่ไม่รู้จักสุขหรือทุกนั้นสุขกับทุกเนี่ยมันคนในราคากันคนในระดับตันถ้าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าสุขเวทนากับทุกเวทนานเนี่ยมันมีราคาเท่าเท่ากันอืมมีราคาเท่าเ่ากันเท่านั้นเนี่ยถ้าไปยึดในสุขนั่นแหละคือบ่อกเกิดของทุกทุกมันจะเกิดเป็นมาก เ, เพราะอะไรสุขแล้วมันก็ไม่เที่ยง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 พิสุทังหลายการมาสุขานุกายโยโคนั้นทางมันหย่อนอจจะกิรมาธาริโยโคนั้นคือทางมันตึงอันนี้มันเด่นงานท่านมาตลอดทางจนถึงวันการรู้ธรรมท่านไม่ได้ปล่อยมันนะท่านจับที่ตรงนี้ได้แต่ทีงว่าปล่อยสาวุติปสินระงมาเทศนาเลยการมาสุขานิการโยโ ค, รคือคือคกติยืนในความสุขในกางนั้น สามนะัะอย่าเพิ่งเดินไปอันนี้ไม่ใช่ทางของสมณนะคือใครไปคิดใครไปนึกไปสัมผัสม่านหมายในในคามนี้เป็นต้นมันวุ่นวายความสงบไม่มีในที่นั้นสมณะเกิดเป็นในได้ท่านมาทางนี้อย่าเดินอัตตะกิรตมันเท่านีโยโคเป็นต้นทางนี้เป็นต้นทางที่มันเงียมโอรุนแรงเป็นต้นทางนี้ก็อย่าเดินไปสามัญะมาอยู่ที่นี่ความสงบมาอยู่ที่นี่ สมณะไม่เกิดทางนี้ความสังบไปอยู่ทางนี้คือสุขและทุกเนี้ยสมณะอย่าไปสุขก็อย่าลืมตัวทุกไปอย่าเดินไปให้รู้มันให้รู้ทุกนี่ให้รู้ทุกมันจะเกิดทุกให้รู้ทุกรู้จักทุกก็รู้จักเกิดทางทุกทางจะทุกมันก็เกิดรู้จักความหลับทุกนึกข้อประพฤติปฏิบัติในเรื่องความรับทุกมันก็รู้จักข้อปฏิบัตินี่คือการภาวนานีเอง พูดง่ายๆกวเดี๋ยวเราเป็นผู้มีสติสตินี่คือความรู้คือความรึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเราทําอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ต่อรู้อย่างนี้อรึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ยังไงเรารู้ตัวอยู่ขณะนี้เรามีาอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรเรามีสุขหรือมีทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้ <S <'s Th Because, เรามีสิ่งทั้งสองนี้ประสบอยู่อย่างนี้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 เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมามันเป็นอัตตาเยนัมทายโยโพแล้วก็ ร, รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ทางของสมมันนะเนียว่าสักว่าทุกข์สักว่ า, ส, ว า, ส, วาสุขเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเราแยกเราแยกกิจกับเวทนาเนี่ยมันออกจากกันได้แล้วลักษณะอันนี้เป็นอีกอาการที่สุขมันเกิดขึ้ น, นมานั้น เมื่อเราไปยึดเป็นต้นเวทนาก็เกิดไม่สุขกัทุกข์เท่านั้นนั่นถ้าจิตเราชราถ้าจิตเราชราจะก็ไม่ไปยึดวางเป็นครููเฉยๆดูแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นประเหมือนกันสตีน้ำมันกับน้ำผ้ามันปะพลเนี่ในขวดอันเดียวกันเป็นต้นมันก็ไม่ซึมชาบไปหากันแต่มันอยู่ขวดเดียวกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะของจิต Os, กับเวทนาะทางาดก็เป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเจ็บถึงแม้ว่าเราป่วยมาเราก็รู้สึกว่ามันเวทนาะมันก็เป็นเวทนาะนี่นะจิตมันก็เป็นจิตเป็นคนหลายาอย่างกันอยู่นี่รู้จักเจ็บไหมรูม้จักรู้จักสบายไหมรู้จักแต่ไม่ปนนไปอยู่ในความสมบายแต่ไม่ไปอยู่ในความไม่สบายอยู่ในความสงบสงบยางไงสงบจากความสบายนะั้น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 อย่างบ้านเรากะเราอยู่ในบ้านมันต่อ เ, เนื่องกันอยู่อย่างนั้นแหละบ้านเป็นอัตรายจิตเราก็เป็นทุกข์จะต้องร่วมคลองรักษาอยู่อย่างนี้เป็นตนถ้าว่าไฟมันเกิดมาไหม้ขึ้นเป็นตนเราวิ่งออกจากบ้านจะได้นั่นนี่วิ่งออกจากบ้านเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นมาเป็นตนสุกเวทนาเกิดขึ้นมาเราวิ่งออกจากมั น, นาาจะได้ทุกเวทนาอีกหิ่งออกจะได้มันเราเป็นเจ้าของบ้าน ว่ามันเต็มทีมานาลู่ตามเป็นจริงไฟไหม้บ้านแล้วเราก็วิ่งออกก็ได้นะเพราะมันผลแลนีลอันนึงมันเจ้าของบ้านอันนึงมันบ้านมันเป็นอยู่อย่างนั้นดีของมันมันเป็นปกติอย่างเนี้อย่างนั้นดังนั้นจิตก็ดีนะคิดก็ดีเวทนาก็ดีถึงเราจะแยกมันออกเป็นต้นมันแยกอยู่แล้วพอแตเรามารู้มันตามเป็นจริงแต่แรกมันก็รู้จักการแยกของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ที่ว่ามันไม่แยกนี่คือเราไปยึดมัน่นหมายมัน่นมันเราไม่รู้ตามเปลน parole, จริงมันก็คลุมตัวกันอยู่อย่างนั้นนี่เป็นต yeah. <number anyway> ้นม <scientifically> ันคลุมกันอยู่นั่นเหมือนช้อนที่เราซดแกงนี่มันแกงก็เป็นอย่างหนึ่งช้อนมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะนี่ถ้าคนรู้จักอันนี้มันแกงอันนี้มันเป็นช้อนมันก็สบายนั่นนะเอาซดน้ำมันเอาช้อนมันวางไว้มันก็สบายนะถ้าเราไปทานช้อนดีมันก็ลาบากเจริงไม่เห็นช้อนเป็นช้อนไม่เห็นแกงเป็นแกง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 รู้เกิดจากการปฏิบัติที่กิตสงบนี้กับรู้ที่เราเรียนมานี้มันไกลกันมากทีเดียวเนี่ยนะมันไกลกันมากมากมายทีเดียวรู้ในการศึกษารู้ในการเรียนะไม่มใช่ไม่ใช่จิตความันรู้การละนั่นนะเป็นรู้แล้วมันเก็บไว้รู้แล้วมันตะคุบไปมันเก็บไว้นะเก็บไปันไม่เก็บไปเพื่อจะมันเสียมันเสียจะร้องไห้อย่านี้นะถ้ามันรู้อย่างทางจับทางวางทางเก็บทางวางทางเก็บทางปล่อยทางรู้ทางปล่อย ด้่ยเราก็มีการปล่อยวางอยู่อย่างนี้ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่เราก็ไม่ลืมตัวเราเนี่ยไม่ลืมตัวทึ่ข่าวทุกมาถ้าทั้งเข้าเก็บมาขึ้นขาวไขามาเป็นส่วนเรา ก, ก็ไม่ลืมบางคนก็คิดว่าเอออปีนี้เนี่ยฉันเน่ยไขตะวันตกเลยไม่ถึภาวนาเลยนั่นคือคำพูดของคนโง่ที่สุดเลยนะเมื่อคนไข้คนจะตายมันจะรีบภาวนาพอสมงศ์อันนี้ก็ยิ่งว่าเราไม่มีเวลาภาวนาจะแล้ว ไอ้ความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาไอ้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเลยไอ้พวมไม่ไวใจในสังขารในเวลานั้นมันก็มีมาแล้วก็ยังเข้าใจว่าเราไม่ได้ภาวนาคือไม่มีเวลาพระพุจะองค์ไม่ตรัอย่างนั้นสันสานนั้นเนี่ยกำลังจะที่ถูกถูกที่มันที่เจริญปฏิบัติแล้วจวนจะเจ็บจนจะท่ายจนจะตายแต่ยิ่งเร่งยิ่งรู้ยิงย่งเห็นยิงย่งสัจธรรมมันยิ่งเกิดเดียวนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดแช่ น, น, นั้นมันก็ลำบากนะ บางคนก็คิดว่ า, ไ, วม า, ไ, ม า, า, าไม่มีโอกาสมิจฉาการงานถึงนั้นไม่มีโอกาสเจียภาวนาโดยมากอาจารย์ทั้งหลายเป็มาอามารย์ทำอะไรสอนเด็กทำงานสรารพัดอย่างคุ่นไม่มีเวลาจะภาวนาเมื่อสอนเด็กนะักเรียนนั่นน่ะคุณมีเวลาหายใจไหมมีครับอ้ ทำไมมีเวลาหายใจแต่สอนเดียกเรียนมันงานมันยุ่งนี่คุณห่างไปไกลไปไอควาเมเป็นจริงเรื่องปฏิบัตินี่มันเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกแถวนั้นะไม่ใช่ไปเรื่องไปนั่งไปนิ่งไปเต้นอะไรมากมายถึงความรู้สึกแะนั้นเนี่ยรวมหายใจเราทํางานอยู่แล้วก็หายใจเรื่อยไปธรรมชาติมันยิ่งรู้กว่าเราอยู่มันดัก ต, ตัวของมันอยู่เราพยายามเพิ่มมีกสติให้รู้สึกแถวนั้ น, นพยายามเรื่อยๆกไ็ไปเองไปแทรกก็ไป การภาวนาก็มันการฉันนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทํางานอะไรอยู่ประทา ม, มันเถอะมันไม่เสียนะมันยิ่งทําการงานทั้งหลายดังนั้นรู้จักความผิดชอบขึ้นเสมอแล้วให้คุณเข้าใจใหม่แต่เวลาที่จะภาวนาเนะ่ะเยอะคุณเข้าใจไม่ถึงหรอกนอนอยู่ก็หายใจอยู่ดยทานอาหารอยู่ก็หายใจได้ใช่ไหมที่ให้ก็หายใจได้ทําไมมันมีเวลาล่ะถ้าคุณคิดเช่นนั้น ชีวิตของคุณในเวลานิสัยมีราคาก็รวมหายใจนะั่นก็เหมือนกันเท่นั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวลาแต่ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนามธรรมาไม่จริงเป็นเรื่องของรูปธรรมอย่างนั้นในคุณพิจารณาใหม่คิดใหม่ค้นใหม่เธอะว่าให้มีส ต, ติขึ้นมาอย่างเดียวแต่รู้จักความผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาทางการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นคุณจะเห็นคุณค่ามันว่าเวลานี่มันเยอะแต่เราไม่ฉล า, าดในเวลาของเราเท่านั้นแหละมันถึงไม่มีเวลา ความจริงวันนี้ยึตลอดเวลาเท่านั้นแหละอันนี้ให้คุณไปคิดย์นาดูมันก็เปลียนอย่างนี้ดังนั้นเป็นตัวเวทนานี่เราจะหนีมันไปที่ไหนกันมันต้องรู้มันให้รู้มันอย่างชัดเจนซะเบียธนามันสักดแต่ว่าสุขก็ศักดแต่ว่าสุขทุกข์มันก็เป็นของศักดิ์ว่าทุกข์มันเป็นของศักด์ว่าเท่านั้นเนี่ยเราจะไปยึดมั่นถือมันมันทําไมถ้าจิตเรามันฉลาดไว้แล้ว เท่านี้มันก็แยกเวทนาออกจากจิตได้แต่แล้วเวทนากระสักว่าเวทนามันก็เห็นว่ากระสักว่าเท่านั้นทุกมันก็กระสักว่าทุกสุขมันก็กระสักว่าสุขมันก็แยกแล้วนั้นเนี่ยอะมีไหมมันมีนอกใหญ่มันมีอยู่นอกใหญ่มีในความไม่ยึดมันถือมันไม่ไปตามความสัมพันธ์มันหมายกับมันมีแล้วก็คล้ายปฏิมันไม่มีนั่นเองนะจากนี้เป็นต้นนะอือย่างนี้ให้เราคิดทํานองนี้ทิจนาแล้วเป็นต้นเราจะถึงอะไรก็ชัามันเถอะ นี่เรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิตให้รู้จิตเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรให้มันรู้จักจิตมันก็คือความไปรู้สึกว่ามันสุขอเป็นต้นที่เรียนทำไมเป็นต้นสุขนะมันจริงหรือเปล่าทุกนะมันแน่หรือเปล่าตามกันไปปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตมันก็แยกสุขแยกทุกข์กับสุขก็สักว่าเสีสุขเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทุกข์อ่ะมันสักเสียมาทุกข์อะไรอะไรม่งเป็นของสักว่าอยู่เท่านั้น เรามีความรู้อยู่อย่างนี้แต่เราต้นจนปลายเท่านั้นแหะเป็นต้นนะจิตของเราเป็นต้นกับปล่อยวางไม่ใช่วางใ่ความไม่รู้น่ะวางมันรู้อยู่นะไม่ใช่วางในความโง่นะไม่ใช่วางไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคือเห็นความเปลี่ยนมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันจนนีนี้เป็นต้นนี่เห็นธรรมชาตินี่เหีนธรรมดาเมาื่อเรารู้จากเช่นนี้แต่เป็นต้นเราก็ชำ น, นานในจิตรู้จักตามรักษาจิตฉลาดในจิตของตนฉลาดในการรักษาจิตของตน ฉล า, าดในกิตก็ต้องฉล า, าดในอารมณ์ฉล า, าดในอารมณ์ต้องฉล า, าดในโลกอย่างนี้เป็นต้นเป็นโลภะวิตูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในโลกอยู่ในสิ่งที่มันยุ่งน่ะสรรรูในสิ่งที่มันยุ่งที่มันไม่ยุ่งมันอยู่ในนั้นเนี่ยโลกที่เป็นของหมุนวายทําไมพระพุทธเจ้ามาดูแจ้งโลกใีทได้อย่างนี้ให้ปัจจัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ไม่มีอะไรเจตน์ในือนความสามารถของคนเราต่างทั้งหลาย แค่นั้นเป็นต้นถารรู้จิตจิตของตัวจิตเป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนาตอนนี้ก็แยกกันออกมันก็อยู่ในท่อนในตอนก็เป็นไปอย่างนั้นเห็นแต่ควาว่าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นของมันจะเกิดได้ก็ดับไปฉะนั้นมันเกิดได้มันก็ดับไปดับแด้มันก็เกิดเกิดได้ก็เป็นเรื่องของมันอยู่ท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันก็เป็นคนที่เรารู้เห็นตามจริงๆดังนั้นปัญหามันประจบดวงจีตตรงนี้มี่แคนั้นพวกเราท่านช่างลายเป็นต้น สิงทั้งหลายตอนนี้มีอยู่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีอยู่ทุกขณะพอเราน้อมจิตลงไปให้มีการประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นเนี่ยถึงถึงคราวทำสมาธิเราก็ทำไปให้เข้าใจประการทำสมาธิคือความสงบความสงบนั้นมันเพราะกำลังแห่มันเกิดทัางนั้นน่ยไม่ใช่ไปเห็นอะไรตัวอะไรมากหรอกทั้งนั้นี่ดังนั้นการทำสมาธิต้อให้มันเสมอเี่ยการทำวิปัสสนาเมื่อก็ทำสมาธินั่นเอง บางแห่งบัดนี้เราทําสมาธิอือนะต่อไปเราทำวิปัสนาบัดนี้เราทําสมาธะอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิสมาธะนี่แหละคือบอ่อเกิดของปัญญาปัญญาคือผลของสมถธะอยากเข้าใจ บ, บัดนี้เราเรียนสมาธะต่อไปจะเรียนภาวนานวิปัชนาอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้แรอกมันแยกในแต่คาพูดเออเหมือนเปรียบเปริงว่าเหมือนมีดโตเล่มหนึ่งอะ น, น, น ะ, นะ คมมันอยู่ข้างนึงสันมันอยู่ข้างหนึ่งมันแยกกันไม่ได้หรอกถ้าเราจับด้ามของมีดโตขึ้นอันเดียวเท่านั้นมันติดไปทั้งคมทั้งสันนั่นแหละมันไปอยู่ที่ไหนเรกไอ้ความสงบเราเม่แหละปัญญามันก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่ามันรุ่นเดียวกันคําทั้งหลายเราเนี่ยมันจะเกิดมาจากที่ไหนนะมันมีพ่อแม่เกิดมานะเหมือนพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่มานั่งอยู่ที่นี่นะธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหนศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมะ นี่เแรกมันจะต้องมีสีนสีนี่คือความสงบคือความผิดทางกายทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีก็ให้เดือดร้อนเพรไม่มีความผิดที่พอไม่ระบอดอนเกิดขึ้นมาไอ้ความสงปังกลางมันก็เกิดขึ้นมาตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวมันนั่นเนอะดังนั้นการจิตสีนก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้เป็นตัวเป็นทางของพระอริยเจ้าจะดาเนินไปสู่พนิพานพานมันอันเดียวกัน ถ้าพูดในท่านก็มาสินก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคือก้อนเดียวทําก่อนเดียวสินก็คือสมาธิสมาธิก็คือสินสมาี่ก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิก็เสมือนมาม่วงใบเดียวกันนั่นแหละเมื <FROM S 1> ่อมันเป็นดอกมานก็ดอกมาม่วงเมื่อมันเป็นลูกเป็นเพศมานก็เรียกว่าผลมาม่วงมันเป็นเพศเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกว่ามันโตไปหน่อยนะเมื่อมันโตไปโตไปมันห่างมาม่วงมานหามแต่เมือมันสุกก็มาม่วงมันสุกก็มาม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละ แตมันเปลี่ยนเปลี่นเปลี่นเปลี่นปลี่นไฟมันจะโตก็โตมาจากเล็กมันเด็กก็เด็กไปหาโตจะว่ามะม่วงคนในวัยก็ได้แต่ว่าวัยเดียวกันก็โูกสิทธิ์ก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาดีมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นผลที่สุดต่เกิดตกเป็นมรรคเดินทางไปสู่กระแสของปณิพานมะม่วงก็จะแต่เป็นดอกมาพอดีเป็นต้นมันก็ดําเนินการไปถึงสู่ความที่มันสุกนะก็พอแล้วนะให้เราเห็นเช่นนี้ ถ้าเราเห็นเชเนนี้ก็ไม่ว่าอะไรมันสังฐานที่เป็นนายกช่างมั น, นเกิดมาแล้วมันจะแก่เกิดมาแล้วมันจะเป็นอะไรอะไรไปตามเรื่องนะพิจารณามันเนี่ยบางคนก็ไม่อยากแก่แก่ะแก่นะก็น้อยใจน่ะอย่างงั้นตัวยากินงมะม่วงสุกสิฮะจะอยากทานมะม่วงสุกมม ส, สมัยเนะี่ะมันสุกไปทางเอาไปโบมันเลยไม่ใช่เดอะเราจะแก่ก็ตกอกตกใจน้อยใจบางคนร้องไห้อยากกลัวมันจะตายกลัวมันจะแก่ย่างงั้นก็มะม่วงสุกต้ไม่จงจินทั้งนี้ กินดอกมะม่วงก็ดีกว่าเนาะนี่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าเราคิดอย่างนี้มันเกิดเข็นธับมะกระจายเรานะอย่างนั้นต้องเราคงสบายมีอะไรมีนั่งหน้าตั้งตาที่เจ้าจ้องบิดปฏิบัติบัดไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้ติโนวาดนะที่ตันะทานองค์สมมตรีได้คุณบุญตุกานที่มารวมกันวันนี้นะอธิบายธรรมะให้ฟังพอสมควรกับเบลลาอะไรที่มันเออันนี้มันเทศนะอันนี้เทศ อันนี้มันเทศนั่นนี่แยกเอาไปพิจารณายังไม่มีผิดยังไม่มีถูกเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกต้องเอาไปพิจารณาเอานั้นนะเป็นส่วนของใครของใครทั้งนั้นเน่ะอันนั้นแต่อะไรมันพลาดมันผิดยังไม่ถูกอะไรก็ให้มันเอาไปไปในตัวมันนะอย่างมันจะผิดจะถูกไปเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นผิดก็เอาไปที่นี่สิถูกเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติ่ะมันทั้งถูกทั้งผิดนะน่ะผลที่สุดมันเนี่ยผิดก็ทิ้งมันถูกก็ทิ้งมัน ถ้าถูกไปยึดไปถูกถูกคนอื่นมาผิดก็ทะเลาะกันอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นธรรมะคือที่ไม่มีอะไรแล้วนะนะไม่มีอะไรอัตมาเคยอ่านประวัติของลูกศิษย์นะก็เช่นนะธงที่มันปักอยู่เนะ่ะลงมันพัดไป ม, มันมันแกว่งเอ้คนหนึ่งว่ไอ้ธงทําไมมันแหว่งมันเป็นเพราะลารมนี่คนหนึ่งว่าไอนะ้คนหนึ่งไม่ใช่มันเป็นเพราะมีทงนะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละไอาจารย์คนนั่งเฉย มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นเพราะทงไม่ใช่มันเป็นเพราะลมไม่ใช่มันเป็นพราะถกเถียงเน่อาจารย์แต่ละเอ้ยมันผิดทั้งสองนันะไอ้ทงมันจึงกวดแบรเงิเนี่ไอ้ทงมันก็ไม่มีลมมันก็ไม่มีมันหมดกันเท่านั้นแหนเดืองมันจบอยู่แค่นั้นเอาเะกายกายให้เห็นกิจ ทำอธิบายเรื่องเห็นกายในกายกระจัดนะแต่เห็นจิตในจิตเป็นยังไงแน่ข้อนี้เดียี่ยขึ้ให้เลยนะเนื่ยก็จะพูดเนาะใ้พูดไม่เหนื่อยไได้มตัวเอยก็จะพูดนานะถามว่านอะไร จะมีอะไรในจิตคล้ายๆว่าจ <c oughs> so. ้ร so. ู so so so saying, okay, so you you ้จักอะไรอันนี้เป็นกระโถนเราจะรู้จักนะของในกระโถนนี่อะไรบ้างเราก็ชัดขึ้นมาอะไรอยู่ในกระโถนนี้ทำไมก็พราเราลูกระโถนนี่ก่อนใช่ไหมเราจะไปลูของในกระโถนก่อนไม่ได้เนอกเราจะอะไรเป็นตักระโถนนี่คือกระโถนเรามองเห็นว่าอะไรอยู่ในกระโถนนี้เรากนมองเห็นน้ําในกระโถนนะปัญหามันจะเป็นอย่างนี้นะแตเรื่องจิตนี้ก็เรียกว่า ถ้าพูดแล้วนะจิต tamam. ไม่มีตัวตนนะอจะ่าตรงไหนมันก็เป็นจิตในได้นะเป็นจิตถ้าพูดเห็นง่ายก็เราก็รู้จักว่าอะไรมันเป็นจิตแล้วนั่นคือความรู้สึกของเรามีอยู่มันทํารู้ทั้งหลายนี่หละ น, นี่แต่ตัวมันตัวมันมันมัน ม, มันไม่ชทราบมันเป็นจิตนะแต่เรารู้อยู่ไอ้ความรู้สึกความน้อมอารมณ์ไอ้ความจำอารมณ์อะไรต่างๆนั่นนะ นนี่ที่เราถูกอารมณ์มาแล้วน่นั่นเป็นเรายึดมาแล้วนี่ความภายในความที่ยึดมามันเป็นไรตรงนั้น ม, ม, มันมีอะไรมันหรือเปล่าภายในจิตที่มันจับมานั้นมันมีอะไรไหมนั่นความรู้สึกเกิดขึ้นมามันรู้เป็นตัวจิตทีนี้ไอความรึกเข้าไปในความรู้สึกนั่นอีกมันมีอะไรไหมในนั้นตรงนั้นแต่ที่บอกภายในจิตรู้จิตในจิตเนี่ย ตัวจิตมันคือกระโถนเนี่ยมันจะกระจ่างเพราะการอธิบายอย่างนี้นะเพราะมันในมีรูปนะมันจะต้องอธิบายอย่างนี้กระโถนนี่เป็นตัวกระโถนดูแลของในกระโจนเลยนะมองดูตัวจิตเราเรียกว่าเราคือความผู้รู้สึกอารมณ์ผู้น้อมนึกอารมณ์เข้ามาอารมณ์จิตนี่มันมันมันนไปน้อมเอามันรู้มันไปน้อมอารมณ์เข้ามาอมไว้ตัวในที่มันอมไว้มันมีรู้สึกมีอะไรไหมในนั้น มีความยึดมั่นหรือหมายมั่นผิดถูกอะไรต่างๆมีอยู่ในนั้นไม่ใช่เนี่ยคือคือมือมันมันมากํา ม, ม่าพักเนี่ยไม่รู้กรรมอะไรมานะ่ะนี่นี่มันมาวังคือมันมีอะไรในกรรมมือแถวนี้อันนี้คือของในกรรมมือเห็นไหมกิดนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นนะ่ะถ้าเราพูดสัมศัพท์ธรรมชาติธรรมดาเราก็ได้ความพูดที่นอมมเอาอารมณ์ ม, มาเอาอารณเอาอารมณ์มาไว้ในจิตของเรานะ เมือเอามาเลยเป็นอารมณ์ที่มันฝังอยู่ในจิตมันมีอะไรบ้างไหมนั่นมันมีความเห็นถูกต้องไหมมีความเห็นชอบไหมอะไรไหมมันรูเท่าต่อสุขต่อทุกข์อะไรไหมตรงนั้นแค่รู้จักมันจะเป็นทางเนี่ยมันจะมีใจทางมาดูอยู่ในตรงนั้นอ่ะอตรงนั้นมันอุ้มอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นของปูย่ย่าเหตนซั้นอยู<ต>่นก็เข้าใจ <ataque S 2> นะครับเอ้าตอนนี้ก่อฟอร์ม้งไงเไปคิดต่อเออไปโตเอาเถอะไปลองไปลองนั่งปฏิบัติคือคือมันมัน มันมันมันอันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่กัรูปเพราะคนอื่นพูดให้ฟังตคนามิดตัวเราเนะจับไปแล้วก็ผิดนะพระพุทธเจ้าจงก็บอกได้แต่ว่ากัจจารูตะาสตาตถาโคดเป็นเจ้ผู้บอกคือบอกให้คนว่ายน้ำแต่ว่ายแทนไม่ได้ถ้าว่ายแทนเราไปจมดังนั้นมันไม่ใช่ใช่ทิสายนี่เนี่ยมันตัวต้องเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างพระนิพพานทำไมพระพุทธเจ้าของเราไม่ขี้แจไงมันแกล้ง คือมันแก้ไม่ได้ชี้รูปเป็นคนตาบอดดูน่ะมันแก้ไม่ได้เนาะถ้ามันจะแก้งคนต้เป็นรักษาตายมันตาดีซะก่อนมันถึงจะแก้งได้อมันจะเป็นในธรรมนองนี้นี่อย่างั้นพระพุทธเจ้าอยากจะให้รู้จะเห็นเือเกินเลยแต่ว่ามันเป็นธรรมเป็นปัจจังท่านช่วยได้แค่นี้ท่านบอกอคตาโลตถาคตาตถาคตเป็นเดียผู้บอกท่านบอกสิท่านบอกลาครับมันเป็นอย่างนั้น เมื่อมันเริ่มสไกลๆพยายามทําหน้าที่แต่ไกลๆมันมูอาจจะระพิษนันละเรามองเห็นมันตีไกลๆเราก็ไม่กลัวมันทําายเราครับคือแม่ว่ามันมีพิษเราก็ไม่กลัวมันพอเราเห็นมันต้องไกลอยู่นี่แล้วไปเจอเขาที่มันไม่รู้จักคิดเนี่ยเวทนาหรือเมื่อไหร่เราค่อยๆคิดไปภาวนาเขาทําลายมันเนิ่มเริ่มไปไกลๆคิดไปเรื่อยๆไม่ความมาเริ่มแต่ก่อนมีเวทนาเรื่อยๆมีเวทนาแล้วไม่ไม่ ก่อนมีเวทนาก่อนมีเวทนาเรือบคล้ายกับมรณสติใช่นั่นแหละนั่นแหละรูถึงตายอยู่เลยไอมรณสตินี่กัเวทนามันก็ไม่ครงกันไปรันามรณสติมันตายไปเลยอ่าอันนี้มันสู้เวทนานี่มันสู้กับทหานมันสู้เดี๋ยวนี้กลังยิงกันวันนั้นนะมรณสติมันตายแล้วถ้าหากว่ามีเวทนาแรงนี้แล้วเรา มันจะไปถึงไหนประชันมันเถอะแอ้วจะมาจากคิดต่างๆวันนี้ต่อตายกับใจเท้านั้นมาเอาสองอย่างนี้มาสิ่งืนมันมารวมกันทั้งนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องรู้จากความผิดชอบต่างๆก็คือตายกับใจกายกับใจนี้เนี่ยถ้าสุภาทุกสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันเป็นเนื่องเป็นดุกโซ่ทีเดีย ดังนั้นการปฏิบัตินี้มันจป็สิ่งที่สําคัญเก็ดสุดทุกอย่างถ้าเราได้มารู้มาหรือเห็นมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็นต้นก็เรียกว่าได้แต่เปลือกมันเท่านั้นอย่างเราจะได้ผลไม้อันหนึ่งมาจะเปรี้ยวหรือหวานพอช่างมันเถิดถ้าได้มาแล้วนะ่ะยังไม่รู้ปฏิบัติมั น, น, นต้องการไปรู้ว่ามันเปรี้ยวมันเป็นยังไงหวานมันเป็นยังไง ก็เพาะว่ามือของเราเนี่ยอย่างเดียวนั่นแหละไปจับผลไม้มันจะรู้เปรี้ยวไหมมันก็ไม่รู้มันจะรูเปรีิหวานไหมมันก็ไม่รู้จับนีน่ี่แต่ว่าเราได้ผลไมมาใน ม, มือเราแล้วนะแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันเปรี้ยวก็ได้ยินแต่เขาว่ามันเปรี้ยวห ว, วานก็ได้ยินแต่เขาว่ามันหวานเราก็เอามือเรากรรมผลไม้ไว้เท่านั้นเนี่ ยังไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นี่ทำไมเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติคือเรายังไม่ได้ทานผลไม้อันนั้นให้มันรู้รสชาติของมันถ้าว่าเรทานผลไม้อันนั้นผลไม้อันนั้นมันก็แสดงออกมาคือความเปรี้ยวความหวานความมะดิดอร่อยเราถึงจะรู้จัก เมื่อเรารู้จักเช่นนี้มันก็เป็นสิขีฟูโตคือมันหินพยานในตัวเองถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้เราก็มีพยานภายนอกพยานคือคนให้ผลไม้เพราว่ามันเปรี้ยวเขาว่ามันหวานเท่านั้นไม่เป็นสิขีฟูโตไม่เป็นตนของตนเลยอันนั้นยังเชื่อคนอื่นอยู่เป็นตน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 เมื่อลู้จักของสี่อย่างนี้แล้วมันก็มันก็หมดลูกทุกข์เราก็รู้เหตุของทุกข์เราก็รู้ความหลับทุกข์เราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติเหตุ ค, ความหลับทุกข์นี่มันก็รู้รูกของสี่อย่างนี้ก็ดียกว่าจบปัญหามันส็หมดไปของสี่อย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไห น, นียมันเกิดอยู่ที่ของสองอย่างคือกายกับใจเท่าเนี้ยไม่อยู่อื่นไกลแล้ว อย่างพวกพุทธบริษัทมาวันนี้เอากายกับใจมาพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ทําไมท่านจึงแยกแยะธรรมะออกให้มากให้กว้างก็กเพราะว่าทำสิ่งทางหลายแล้วเนะี่ยรายละเอียดเป็นอย่างๆออกไปเปิดให้เราสมรวจรู้เช่นร่างกายเหล่านี้ท่านบอกว่าเจซาโลมานคาตันตาสายโยย่ยอยอลงมาสารพัอย่างแยกแยะร่างกายออกมา คือจะทำมาเห็นร่างกายแห่ชมีชานานให้มันรู้ยิ่งตามเป็นจริงของสภาพอันนี้ถ้าเราไม่รู้ยิ่งตามเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้จักทุกไม่รู้จกักเหตุของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักความปฏิวัติให้ถึงความหลับทุกถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้จักข้อปฏิวัติดังนั้นฟังเทศ คือความทำในปัจจุบันในสมัยนี้เพื่อให้เกิดปัญญารู้สิงสีส่สิ่งตัวนี้<ม>สิ่งทั้งสี่อย่างนี้มันก็เกิดอยูุ่ีิกายกับใจของเราดังนั้นพระพุทธเจ้า่จะบอกธรรมะมธรรมะใ น, นยุติไหนธรรมะตั้งแต่อยู่ทุกที่ที่ไหนไม่มีธรรมะไม่มีมันมีธรรมะอยู่ทุกสถานที่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 แต่ว่าเราทำไมเราถึงไม่เห็นท่านเพราะาเราไม่ค่อยสนใจปฏิบัตินี่เองก็ธรรมะนั้นก็คือพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะโูกวนอนอาโนนให้ท่านทําให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเรากว่าคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมกว่าคนนั้นเห็นเราเนี่ย ถ้าพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจา้าไม่ห่างไกลจากธรรมะผู้ไรเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจา้าผู้ไรเห็นพระพุทธเจา้าก็เห็นธรรมะอย่างนั้นเมื่อพูดถึงความแปรคิดกันเจนนี้ก็พระพุทธเจา้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจา้าเสียชาราชกุมารผู้บัตเกิดม า, บาเบื้องแรกยังไม่เป็นพระพุทธเจา้าก็คือท่านยังไม่รู้ธรรมะ ก็ยังเป็นผู้ทัวชนอยู่อย่างพวกเรานั่นเองเนี่ยต่อเมื่อท่านรู้สิ่งที่ควรรู้คือรู้สัจ ธ, ธรรมเป็นต้นรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อประพฤติปฏิบัติถึง่ยวความหลับทุกแล้วท่านจึงมีการประพฤติปฏิบัติขึ้นเป็นต้นก็วัรู้ซึ่งธรรมะ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 ข้อปฏิบัติประพฤติปฏิบัติก็เกิดความเฉลียวฉลาดที่ใจเราตายก็เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นกายวาจาคิตที่คําที่เราว่าประพฤติอยู่ทีใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเราถ้ า, งาสงอยู่ที่ใจของเราความเชื่อแน่นอนทั้งหมดแล้วว่าจะทําดีทําชั่วที่ไหนก็ช่างเถอะเป็นสัจจะทำ เราทำดีอยูุที่ไหนไม่มีใครเห็นประตามีไม่มีใครสัรเสริญปรตา ม, มีคนยินทาอยู่ประชั่นเถิแต่การกระทำเรานั้นมาถูกต้องความที่ถูกต้องนั่นเองเป็นต้นนะนคือเราเห็นมันที่ถูกต้องตามสัจธรรมหรือความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าสัญัาไวนะ้มันเป็นความจริงเป็นต้นท่านจงทิ้งโลกคือทิ้งสรรเสริญทิ้งยินทา ใครจะนินทาท่านท้าว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสรรเสริ ญ, ญแล้วก็โอ้มันก็เป็นอย่างนั้นสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของลูกทางนั้นอจิตใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรท่านรู้จักทุกก็สิงทั้งสองอย่างนี้ทําให้ท่านเกิดทุกถ้าท่านไปเชื่อทุกมันก็เกิดทาง น, นั้นเลยก็ทุกตัวมันเป็นอย่างนั้นเกิดมากับศัตรี์ ไม่สบายอกไม่สบายใจเดือดร้อนวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็กระสับกระสายนั่นคือความทุกข์เพราะอะไรมันให้ทุกข์มันเกิดนะเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้นทุกข์มันก็คืออันนั้นมันเป็นเหตุเมื่อเป็นเหตุมันเกิดทุกข์มาแล้วจะดับทุกข์ยังไงก็เลยไม่รู้จักอะยิ่งให้มันรับทุกข์ไปเดี๋ยวอย่ามาว่าให้ฉันเลย อย่ามาเย็ดฉาฉันเลยทุกมันยิ่งเกิดขึ้นมาไม่หยุดเนี่ยอย่ามาทําฉันเลยอย่ามาว่าฉันเลยอย่ามาตีฉันเลยทุกมันยิ่งกำเริบขึ้นมาทีเดียวเนี่ยนี่ทันรู้จักว่าข้อปฏิบัติเกี่ยวกความรับทุกข์ก็คือน้อมทำมะนี้เข้าใจของเราแล้วว่ามันเป็นปฏจจธรรมเรื่องนั้นมันเป็นของนอกไม่ใช่เป็นของใน แต่ความเป็นจริงที่เราทํานั้นที่เราพูดนั้นที่เราตั้งใจนั้นเป็นต้นไม่มีใครรู้มันรู้อยู่ที่จิตของเราเป็นต้นดังนั้นถ้าใครเห็นว่าเรารู้จักว่าเป็นสิคีภูตกเอาตนเองเป็นพย า, ยานของตนแล้วพระพุทธเจ้าสัานสนเสริญใครจะว่าดีเป็นต้นท่านก็ไม่หลงใครจะว่าชั่วเป็นต้นท่านก็ไม่รื้อ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 ให้รูป ก, กายแล้วไปยังไม่พอให้รูป ก, กายในกายพิจารณากายก็พิจารนากายในกายแล้วก็ให้พิจาณากิตแล้วก็พิจารณากิตในกิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาและประหมดุดเพื่อเหินใช่แล้วคำนี้รูป ก, กายทำไมไอ้กายในกายคืออะไรรูปจิต ก, กิตนี่มันคืออะไรของในกิตนั้นมันคืออะไรกประไดไ่รู้เรื่อง เรเรียกว่าผูนั้นไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเีตของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติในถึงความหลับทุกสิ่งที่ควรหลับทุกไม่หลับไปสนใจในสิ่งที่มันไม่เกิดแตสิ่งที่มันไม่หลับนะเช่นว่าเรามีความคันในศีศรษะอย่างนี้<ม>เราไปเกาที่ขานดอย่างนี้มันไม่ถูกจุดมัน ตัวนึกว่าจะให้มันสบายจะใมันไปเกาที่ขาแต่มันพันอยู่บนที่ศักดินี่ท่นี้แบบไม่รู้จุดมันจะให้มันระงับความพันมันระงับไม่ได้คนทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นต้นไม่รู้จักหลักทุกข์และข้อปฏิบัติให้รึงความหลักทุกข์เหมืนก็ไม่รู้สิ้งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอืมันเป็นอีที่พวกเราแต่ไหนเกิดเกิดมากแต่ไหนเกิดเราไม่รู้จักอนั่นของภายนอก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 เพราะว่ากายนี้เราไม่เห็นข้างในเห็นแต่ข้างนอกนะมันจะเห็นสิ่งที่ะสีสวยเป็นแก่นเป็นสารกันไปหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่พอฉันบอกว่าเห็นกายทางนอกตาเนื้อเราวันรู้จัดเด็กๆมันก็เห็นได้สัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นได้มันไม่ยากกายนอกของเราเนี่ยจะเห็นแล้วมันติดเห็นเน่ยมันไม่รู้เห็นแล้วมันจะคุบจะคุบมันก็กลัดเราเท่านั้น มันเป็นษาอย่างนี้มิถันนั้นท่านจึงให้เห็นว่าให้พิจานาของน่ยกายนี่พิจารณากายไปในกายอะไรในกายนั่นก็ค้นข้วหามีเนี่ยอะไรในกายนะนี่ไม่กลัวว่าไอ้ของในกายแล้วนี่มันเนี่ยอะไบ้างที่เราเห็นกายภายนอกนั่นเป็นส่วนไม่ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายเป็นส่วนวิได้ของทยิศาสวยไปทั้งนั้นเป็นเครื่องยอมใจเรา นี่ฉะนั้นจะมาเห็นไม่ชัดเห็นกายไม่ไม่ชัดท่านในมองทางในเห็นกายในกายต่อมาว่ามีไม่กายอยู่ในกาย ม, มีอะไรบ้างในตัวกายเนี่ยหนังมันหุ้มอยู่ในเปลือกนี่มันมีอยู่นใ น, น, น, น, นในกายมันมีอะไรบ้างจิตใจน่าดูแย่ตาตายกันไปเด้อเราคงเห็นไปในกายมันมีหลายหลายอย่างซึ่งมนุษย์เราทางหลหนมองดูแล้วเป็นต้นสาละพัดยางนั้นนะ่ะแปลกใจ แต่เราพุ่นกันไปเราแปลกใจทั้งนั้นเน่ยเดีของในตัวของเราเราไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราอุ้มมันไปเดินก็อุ้มมันไปนั่งรถก็อุ้มมันขึ้นรถไปทั้งนั้นกายแต่เรายังไม่รู้มันเรือว่ามันเป็นอะไรอ<ม>ืนะเข้าเวลาเราถูกของฝากครับเช่นเวลาไปบ้านญาติเอาข้าห่ออะไรให้เราก็จับเป็นตะก้าไปเลยไม่ได้เปิดดูมาได้ไขดูใช่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปเปิดดูแล้วไปต้นหม่เป็นอสราพิษอยู่ทั้งนั้น กายนี้กเหมือนกันฉันนั้นถ้าเราเห็นเปลือกนอกไปเห็นว่าของสวยของงามอาะไรสารพาดอย่างลืมลืมตัวลืมตน ล, ล, ลืมอนิจจังลืมถูกขังลืมอนัตตาลืมเปิดทั้งนั้นเนี่ถ้าเรามองดูข้างในกายอะเป็นต้นไม่น่าจะดูนะนเรื่องของตกายเราเนี่ยของที่สะอาดเอามาใส่เป็นต้นมันก็สุขปกภายนอกก็สุขภายนอ ก, ภ า, นอกภายในก็สุขปพภายใน เรื่องภายในก็ยิ่งน่าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเขาเ้าไปข้างในเใชไหมในร่างกายแน้่มันมีอะไรบ้างไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วรู้ตามสัจธรรมแล้วนะไม่เข้าข้างตัวตะแล้วเป็นต้นเนกายภายนอกก็ดีดูของดูกายในกายก็ดีมันน่าจะดูนะดูมันน่าดูน่าสนุกมันน่าสังเวชมันน่าอะไรหลายอย่างนะ น่าเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเกลียดมันหน่ะไม่ใช่ไปโกรธมันน่ะความกระต่างความเป็นอ่างของจิตของเราเนี่ยความปล่อยความวานเห็นว่าอันนี้ไม่เคยเป็นสาระประโยชน์อะไรมากไม่เป็นแกนไม่เป็นสารไม่มีอะไรมากมายเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เปลี่ยนธรรมชาติที่เป็นธรรมดาเนี่ยของเขากระตั้นเขาเขาอยู่อย่างนั้นใครจะให้เป็นยังไงก็าจเป็นอย่างเขาเป็นนั่นเอง เราจะร้องไห้กว่านี้เราจะหัวเราะ ก, ก็ตามเธอสังขารนี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่เทีย่ยนมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างงั้นดังนั้นพระผู้มีประภาคของเราแต่เนี่ยเมื่อเราเห็นรูปเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมเกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปใช่เมื่อตาเห็นรูปแล้วปล่อยไปใช่ไมไปบ้านของช่ไหม เมืม่อหูเป็นได้ยินเสียงกับรอยขอเขาเสียงเข้าไปสักเ <c oughs> มื่อจมูกในดิ้ไดงกลิ่นก็ปล่อยกลิ่นเข้าไปสชกเอาไปเจอจมูกเลยนะเมืนะม่อรถมันเกิดกับดิ้นเราเป็นต้นก็ปล่อยรถมันเป็นนะเมื่อโพธาฟ้าที่มันถูกต้องกับายเกิดจะมาชอบใจไม่ชอบใจกับ่อยมันสักให้กลับไปที่มันจะที่เก่าของเขาสักทำมารมที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี้ไม่ต้องอาศัยสัมผัสอะไร มันสัมผัสขึ้นที่ใจเองเรียกว่าธรรมอารมณ์หรือธรรมะอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตไม่ได้ยินเดียวนี้ไม่ได้เห็นเดียวนี้แต่มันสัมผัสทางจิตนั้นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศลเป็นส่วนที่มันชั่วก็เรียกว่ากุศลเป็นส่วนจิ่งทั้งหล<ส>ายน<ม>ี้กับรอยไปตามเรื่องของเขาเนี่ยเหมือน้องรู้มันอย่างนี้สุขก็ดีทุขกข์บ่ดี สารพัดอย่างอยู่ในรุ่นเดียวกันนี่เรียวกว่าการภาวนาการภาวนาคือทำให้สงบสงบแล้วก็คือทำให้รู้การทำให้สงบคือการทำให้รู้นี่ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใช่อื่นความเป็นจริงทั้งสิ่งเนี่ยมันเป็นของและสิ่งมาสิ่งเช่นรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งกลิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งรสก็เป็นส่วนหนึ่งโธทัปปะก็เป็นส่วนหนึ่ง ธรรมารมมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนละส่วนอยู่แต่ว่าท่านใหรู้จักมันใช่ไอยแยกสิ่งทั้งหลายนี่เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขเวทนาทุกซึ่งมันเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกเวทนานะเรื่องสุขกับทุกนี้คือท่านแหมันแยกมันออกจากจิตจิตก็คือผู้รู้เวทนานั่นก็คืออาจารย์ที่มันเป็นสุขหรือทุก ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นดีเป็นต้น <c oughs> เมื่อจิตเราเข้าไปเสำวจในอารมณ์มันนั้นเรียกว่าจิตของเราเข้าไปยึดหรือหมายมั่นหรือสําคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกข์อันนั้นนั่นเองไอ้ที่เราเข้าไปหมายมั่นมันก็คือเรื่องกิตอาการที่มันสุขมันทุกข์นั่นก็ะเดยกเป็นอาการของเวทนาเบทนา ความรู้นั่นเรียกว่าจิตของเราที่เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั่นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์เวทนาที่เรียกว่าจิต ก, กับเวทนานั้นนะท่านให้รู้มันแยกมันออกจากกันคําที่ว่าแยกออกเป็นตน้นไม่ใช่ว่ามันเอาไปทิ้งไปคนใดอย่างเอาทิ้งไปคนใดที่ จนะิตมันก็ต้องรู้สุขจิตมันก็ต้องรู้ความทุกขนะ์ถ้าหากว่าบางครั้งเราแยกโดยความที่จิตเราสงบเช่น ว, มมมว่าบุคคลผู้ที่ทํ า, าสมาธิในที่เป็นตน้นมันก็รู้จักเวทนาแล้วไปแยกมันใช่ไหพะความสุขความสงบนั้นมันโดนเสือมใช่ไสุขอย่างนี้ก็เข้าไปไม่ถึงทุกข์อย่างนี้ก็เข้าไปไม่นาัาน เป็นต้นอันนี้เวทนามันก็แยกอย่างเราทั้งความสงบมันเข้ามาก่อนเวทนาเกิดทีหลังเป็นต้นเวทนามันก็ดึงไปถึงอินก็หมารับรู้เป็นต้นอันนั้นหม่รู้จักเวทนามันก็แยกไปในตัวของมันอย่างไปก็ตามเธอนนะแต่เวทนาก็คือความสุขสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าทุกขเวทนา นี่คือเวทนาตัวจิตที่เราเห็นสุขเวทน า, านั้นเราก็ไปยึดไหมทุกเวทนาเกิดขึ้นมานั้นเราก็ไปยึดมันไหมเรารู้จักว่าเออจิตของเราเป็นอย่างนี้สุขมันเป็นอย่างนี้นะ่ทุกมันเป็นอย่างนี้เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันอยู่มันจะเปรียบคล้ายๆกับเรว่าน้ำวันกับน้ำชานะ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 มาเกิดเวทนามันเกิดสุขพึทธออกมาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่อันนี้เรียกว่าสุขสดนั้นมันจะสุขอยู่แต่ว่าไอ้จิตที่มันรู้ว่าสุขมันไม่เทียงมันก็ไม่ไปยึดเอาสุขอันนั้นสุขมันมีอยู่มันมีอยู่แต่จิตรู้อยู่มีอยู่นอกจิตไม่มีฝังอยู่ในดวงของจิตแต่รู้ชัดเจนทุกมันเกิดเกินมานะมันแยกเวทนาได้ไหม มันไม่ทุกหรือ ม, มัน ม, มันไม่รู้จักทุกหรือรู้จักทุกมันรู้จักทุกล้วแต่ว่าจิตมันก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนานจิตนั่นมันมีความสามารถจะไปยึดทุกนั้นมาแบกไว้พอมันทุกอย่างนั้นเป็นต้น